กราบบูชาพระรถนาใจขอกขราบครัวะครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนข อ, อกราบน้ำสการพระเถรานุเถระครูบาจารย์ทุกรูปในที่นี้ก็คือหลวงพ่อกลมที่เป็นประธานและก็ขอเจริญพร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 พ <c oughs> ระพุทธองค์ได้ชี้เอาไว้ตัวกระผมเรยอตาม า, อาไดา้เรียนมาทั้งทางการศึกษาสมัยใหม่ก็คือทางโลกจบระดับปริญญาตรีมีวิชาความรู้เอาไปทำหากินได้ไปทำงานเป็นอาจารย์สอน อ่านหนังสืออยู่ประมาณสามสิบปีในในช่วงของการาศึกษาเนี่ยก็มีความสนใจธรรมะอยู่ด้วยซึ่งความสนใจนั้นเป็นเรื่องที่บังเอิญมีเพื่อนชวนเข้าไปแล้วก็ได้รุ่นพี่ที่ดีก็คือเป็นกรลยานามิตรที่ดีเป็นคนแรกนะที่แนะนำให้รู้จักวิธีการ ฝึกสมาธิแบบอนาปนาสติก็คือพี่สุภวรรณปัจจุบันก็คือสุภวรรณกรีนนั่นเองเ อ, อ่อหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆอ่านหนังสือฟังเทปจากอาจารย์พุทธทาสนะก็ทมให้ได้รู้ว่าเออความรู้อีกชนิดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยในโลกปัจจุบันไม่ได้สอน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 รรมหากินเท่านั้นเองแต่พอเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยก็ไปเรียนจิตวิทยาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความรุนตื้นตื้ น, นความรู้ที่แก้ปัญหาจิตใจจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในพุทธศาสนาแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าในในในโลกปัจจุบันหรือในประเทศไทยก็ดีเนี่ย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 ยังไม่เคยได้สนใจนะคนข้าวันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นก็เป็นโชคดีของเราที่หลวงพ่อเทียนได้มีโอกาสมาให้คําแนะนำในการปฏิบัตินะครับเท่าที่พอจับจับได้ในตอนนั้นก็คือให้เรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวแต่เราก็รู้แต่ความจำแต่เราไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกจริงๆ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 นะซึ่งบางคนก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างในส่วนของตัวกับผมฤทธามาเองก็ <c oughs> พอจับความได้บ้างนะในเรื่องความรู้สึกตัวเอในช่วงประมาณกลางพรรษาเนี่ยจากการที่เราได้ฝึกอย่างต่อนเนื่องการเดินจงกรมการสร้างจังหวะแล้วพยายามจะช่วยโอกาสในขณะที่เราไปบินาบาทในขณะที่เราฉันพยายามใส่ความรู้สึกตัวเข้าไป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 ลดจืดๆเราไม่รู้ลถมันลถอะไรมันมันความรู้สึกตัวนี่มันละเอียดขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นผลจากการที่เราฝึกอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็เลยจับจุดได้ละอ๋อความรู้สึกตัวมันคืออย่างนี้และตรงจุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวกระผมเลือกธรรมาเองเนี่ยรู้จักคําว่าสติหรือความรู้สึกตัว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 หลังจากพูดเสร็จแล้วหลังจากเลิกทาวัดแล้วกลับไปที่กุติใจเราเนี่ยเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วเรารู้ถึงที่สุดแล้วแต่ตอนนั้นนะครอาจารย์ดามาศกิจบอกว่าเนี่ยนะพึ่งจุดเริ่มต้นตอนนั้นนะ่ะอย่าไปดีใจนะนี่มันพึ่งจุดเริ่มต้นแล้วระวังนะเนี่ยวิปัสสนูนะไอ้รู้มากมไอ้แตกฉานเนี่ยแล้วอยากจะพูดจะคุยเนะี่ยระวังให้ดีนะความรู้สึกตัวมันจะลืมนะ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 อาหารการกินก็ตามมีตามเกิดนะไปบินาบากเป็นส่วนใหญ่ลงครัวไม่มีนะกินน้ําพิ ก, บ, กบ้างกินแจ่วบ้างอะไรบ้างก็ก็ก็เป็นบรรยากาศง่ายๆบรรยากาศของวัดป่าสุขโตเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ชวนให้เราเนี่ยได้กลับมารู้สึกตัวได้ดีนะเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมที่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 เป็นสิ่งที่รู้สึกอันตรายอยากทำให้นุ่นอยากทำให้นี่อยากโอดแยะๆเลยในช่วงที่มาอยู่และบางทีเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็มายกยอเรามาอุ้มเราว่าเนี่ยดีนะมาทำอย่างเนี้ยดีนะโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวจะต้องไปทำให้นุ่นเดี๋ยวจะต้องไปทำไห้นี่นะไปสร้างใน้นุ่นสร้างไห้นี่โอ้ยนี่เป็นตัวตัวตัวดี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 มาบ่อยๆ บ, บางทีเรารู้สึกโอ้โหดีมากเลยจะต้องทําโปรเจก tn ั้นโปรเจก tn ี้คนต่างประเทศมาเราจะต้องฝึกภาษาอังกฤษเราจะต้องเอาวิทยุแบบที่เราไปรรมาสารามานะมีวิทยุแล้วก็แปลภาษาอังกฤษให้คนฟังโอ้คิดไปสารพัดหลายโปรเจกต์เลยสุดท้ายเออโดนเขาหลอกโดนความคิดมันหลอกทิ้งหมดเลย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 ความคิดที่ที่ที่หยาบหยาบที่ไม่เคยดีตอนนี้มันจะเป็นความคิดดีๆให้เราคิดสร้างสรรค์ให้เราคิดทำมนุษย์ที่ทำนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรู้ทันแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะทิ้งหมดเลยบางอย่างเราก็มาใช้ประโยชน์ได้แต่ในเบื้องต้นของคนที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องพวกนี้ทิ้งๆิทิ้งไปเลยถ้าไม่ทิ้งเนี่ยเราจะรู้สึกหนักหัว อันนี้มีอาการที่แสดงออกหรือบางทีเราทำไปในเราง่วงนอนเราหนักหัวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเพ่งเข้าไปข้างในมากาอันนี้ก็ต้องปล่อยออกมาข้างนอกซึ่งเมื่อตอนบ่ายเน ى, ี่ยตมาก็เจอตรง น, นี้ว่าเอ๊ะทาไมวันนี้เดินแล้วมันง่วง่งวงหนักหนักน่วงนวงนะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาเราทิ้งจากลานยงกลมแล้วมารับโทรศัพท์เอ๊ะมันทำไมโล่งออกมาอ๋อ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 ไอ้นูน่นไอ้นี่ต้องมีอันนั้นต้องรู้อันนี้ต้องรู้อริยสัจสี่ต้องโพจน์ชงเจ็ดโพธิปักยะธรรมสาสิบเจ็ดอะไรโอ้โเยอะแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะเลยตำร า, ามันมากมายเลยแต่ถ้าเรามาทําสิ่งนี้อันเดียวเนี่ยธรรมะที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเร า, า จ, จะไม่รู้ภาษาแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจเลยก็ได้ภาษาเนี้เพียงแต่ว่าเรารู้สึกตัวเราปล่อยวางเรารู้สึกเราปล่อยวางได้